สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุรอดอครึ่งเจ็สี่เจเริ่มตั้งแต่เวลา8นาิกานาทีถึง8นาฬกานาทีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสจะทำรายการโดยเพนสีอินทร์ทัตวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่อง นารีผลโดยนักเขียนนิตยสารกลุลสตรีนามปากกาสุทธิสาอ่อนคอมท่านที่สนใจต้องการซีดี MP3 ชุดนารีผลนี้ไปฟังทบทวนหรือมอบให้เป็นของขวัญแด่ผู้ที่เคารพนับถือโปรดสั่งจองไปได้ที่คุณน้ำทิพย์ภูธนชัย081 828 8298หรือ หาซื้อได้ที่ธรรมสภา02 441 1535โอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนารีผลค่ะ